สวัสดีครับสวัสดีครับอินดีต้อนรับนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นความดีใจของผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะคำที่ที่คริสตจักรนี้นะฮะแล้วก็มีมีความรู้สึกหลายอย่างเวลาที่มาแบ่งปันพนะระวจนคคำที่คริสตจักรวัฒนานะฮะโดยเฉพาะในพนะระวจนคคำในบ่ายวันนี้เป็นพนะระวจนคคำที่ค่อนข้างที่จะ ตรงไปตรงมาแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันท้าทายจังเลยทําไมมันโหดร้ายจังเลยทําไมมันดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หนุนใจสักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องต้องโทษโทษพระเจ้าเอาเองกัแล้วกันนะฮะเพราะพระเจ้าให้พระวจนะคำในตอนนี้มาแต่ว่าในบ่ายวันนี้อยากจะให้เราใช้เวลานี้ร่วมกันสักแป๊บหนึ่งที่เราจะสงบใจอธิษฐานนะครับ แลก็ที่เราจะให้พระเจ้านั้นได้พูดกับเราเป็นการส่วนตัวจริงๆให้เราใช้เวลานี้เงียบๆสักครู่หนึ่งข้าแต่พระบิดาจเจ้าข้าพระอง์ขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลานี้ที่จะได้มาฟังพระวจะนะคมของพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกมาจากปากของข้าพระองค์นั้น เป็นมาโดยแต่องค์พระบุญเจ้าเท่านั้นขอพระวจะนะคำในตอนนี้ททายที่ข้าพระองค์นั้นจะมีทัศนคติและก็มีวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปและขอที่ข้าพระองค์จะลุกขึ้นออกจากห้องนี้เดินออกไปในบ่ายวันนี้และกลับไปบ้านโดยความอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและก็อยากจะได้เชื่อฟังและอยากจะร่วมทุกข์ไปกับพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 2> ในเช้าในในบ่ายวันนี้นะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตผมเองด้วยฮ ะ, ะเพราะว่าตัวของผมเองก็เป็นคนที่รักความสุขสบายแล้วก็รักความสนุกสนานนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอยไม่ชอบความทุกข์สักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเอา ถ้าเกิดจะเลักษณะนีิสัยนี้น่าจะเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เลยมีใครชอบความทุกข์บ้างฮะยกมือหน่อยได้ไหมฮะไม่มีเลยใช่ไหมฮะเอาแต่ละคนที่นั่งอยู่ห้องนี้น่าจะเหมือนกับผมนิดนึงก็คือว่าผมเป็นคนที่ชอบใ น, ในความสุขรักในความสบายตอนเด็กๆนี่ยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เทรนผมมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยให้เจอกับความทุกข์ยากลําบากเยอะแยะมากมายเพื่อที่ผมจะคล้ายๆกับว่าคุณพ่อคุณแม่จะ ไม่ต้องเป็นห่วงมากสักเท่าไหร่เป็นผู้ชายก็ให้เจอให้กลับบ้านเองตั้งแต่ปห้านะครับเดินขึ้นรถเมเอง ก, ก็เคยชินแหละแต่ว่าใ น, ในโดยพื้นฐานของผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รักความสบายแล้วก็พอโตขึ้นมาเห็นคุณพ่อคุณแม่ลำบากยากจนก็คิดในใจเสมอเลยว่าออผมนี่อยากจะวันหนึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของผมสบายอยากจะให้คนที่มาแต่งงานกับผมอยากให้ลูกของผม สบายเพราะฉะนั้นในในชีวิตผมตั้งแต่เด็กๆแล้วผมคิดเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเราทำงานถ้าวันหนึ่งเราได้งานถ้าวันหนึ่งเราเรียนจบแล้วก็ได้งานเราจะทำงานให้ในที่สุดแล้วชีวิตของเราจะสบายเราต้องเราต้องคล้ายๆกับว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องสบายให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาล้อเครื่องบินเมื่อกี้ผู้ปกครองได้แบ่งปันนะฮะล้อเครื่องบินออกจาก ดอนเมืองตอนนั้นดอนเมืองอยู่นะหลอกึ้นออกจากดอนเมืองปุ๊บในใจของผมคือผมตั้งใจว่าผมจะไปเรียนมันธยนาการเพื่อให้ชีวิตของผมนั้นสบายความรักความสบายรักรักสิ่งที่สบายนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวผมมาตั้งแต่เด็กๆอะไรที่สนุกผมจะทำอะไรที่สะดวกผมจะทำอะไรที่สบายผมจะทำอะไรที่ไม่สนุกผมไม่ตำไม่แตะไม่ไม่อะไรเลย อะไรที่มันไม่สะดวกผมก็หาวิธีอื่นผมทําแบบทดสอบวัดทดสอบบุคลิกภาพของตัวเองผมได้ค้นพบว่าในชีวิตของผมนั้นผมดําเนินชีวิตโดยตัดสินใจเวลาทุกครั้งเลยที่ผมตัดสินใจอะไรผมจะใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์บางคนหลายๆคนอาจจะใช้ความคิดอาจจะใช้เหตุผลอาจจะใช้ตรกกะในการตัดสินใจให้ฉันควรทํานี้ทำนั้นทำนั้นนะแต่สําหรับผมแล้ว ผมทาแบบทดสอบ ม, มามันบอกเลยว่าผมใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจพี่น้องครับถามหน่อยฮะตัวของท่านใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจบ่อยไหมเพราะถ้าเกิดท่านใช้บ่อยนะจะเหมือนผมมากเลยเวลาที่ผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมีช่วงเวลา1ชั่วโมงรอที่จะมาเทศนาที่นี่ผมไปเดินที่ไปจะไปหากาแฟกินที่เทอร์มินอลท r วนนีวัน ขนาดเดินอยู่ก็มีออปชันให้เลือกมากมายแล้วก็ถามตัวเองว่าเราควรจะนั่งรอที่ร้านไหนกินอะไรแต่ความรู้สึกเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกประจาเลยแล้วพอเราเดินผ่านร้านออไอศครีมไอเราก็รู้อยู่ว่าเราก็อ้วนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็รู้ว่าเราไม่ควรกินไอติมด้วยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้มีมันก็มีแค่น้ำตาล เราควรจะเป็นดื่มน้ําผลไม้เหลืออะไรก็แล้วเราก็เดินผ่านร้านไอติมแล้วเราก็หันกลับมาแล้วเราก็เดินเข้าร้านไอติมแล้วก็ไปนั่งร้านไอติมนั่งหรอกทำไมเพราะว่าเราเร า, เ ร, ารักในสิ่งที่เรารักอะ่ะเราชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วเราใช้หลายครั้งเลยที่ตัวผมเองใช้ความรู้สึกเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นผมจะสังเกตเห็นได้บ่อยๆเลยว่าหลายครั้งที่ผมตัดสินใจนั้นผมตัดสินใจอยู่บนความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันสรุกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่ามันสะดวกหรือเปล่าความทุกข์ของผมเนี่ยก็คือการที่สิ่งของเหล่านั้นหายไปพี่น้องครับทุกคนที่นั่งในห้องนี้ทุกคนรักในในเงินทองรักในทรัพย์สมบัติที่มีรถต้องดูแลอย่างดีบ้านต้องดูแลอย่างดีของที่มีอยู่กับตัวเราก็ดูแลอย่างดีแต่ความทุกข์ของผมเนี่ยก็คือการที่สิ่งของเหล่านั้นมันหลุดลอยหายไปฟังดีๆนะฮะตอนเด็กๆผมเนี่ยต้องไปเยี่ยมคุณยายที่เมืองชน คุณแม่มาจากเมืองชนก็ไปเยี่ยมคุณยายผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยเพราะคุณยายมีสมท่านด้วยกันเป็นพี่น้องกันโอ้คนอื่นนะเวลาไปไหว้วคุณยายนะมีคุณยายท่านเดียวผมมีทั้งสท่านเรารู้เลยว่าทุกครั้งเวลาเราไปไหว้คุณยายคุณยายจะหยิบของในในเกะของแกนะก็คือกระเป๋าตังค์แล้วคุณยายก็จะหยิบแบงก์ออกมาเราดีใจมากที่สุดเลยตอนเด็กๆ เ, เพราะว่ามันเป็นความสุข ข, ของเราเพราะเราเรารู้ว่า ทุกครั้งเวลาเร า, าไปไหว้คุณยายคุณยายก็จะให้เงินรู้ไหมครับตอนนั้นผมอายุประมาณ14ขวบผมก็ไปไหว้คุณยายไหว้สวยๆเลยนะหนึ่งครั้งคุณยายก็แคว้นมาแบงค์พันโอ้โหตอนผม14แล้วมันก็30กว่าปีที่แล้วนะ30กว่าปีที่แล้วได้แบงค์พันนี่โอ้โหเลิศประเสริฐสีอย่างกับค้นพบทองคํานะคุณยายไปไหว้คนแรกโอ้ไหว้สวยๆได้แบงค์พันไหว้คนที่สองไหว้สวยกว่าเดิมอีกนะ กมลงไปกราบแทบปากเลยนะได้แบงค์พันมาอีกใบหนึ่งไหว้าสามคนได้สามพันวันนั้นกลับไปจากเมืองชนนี้เป็นเศรษฐีเลยผมก็กลับไปบ้านนะฮะก็ระหว่างกลับเมืองชนเนี่ยขนาดที่นั่งกลับรถไปจะไปตลาดหนองมนนะนะด้วยเงินสามพันที่คุณยายเพิ่งให้นในใจรู้สึกมีความสุขมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในมือเนี่ยถือของที่มันมีค่ามากๆเงินสามพันสมัยนั้นน่าจะเป็นสา0 0 0ื่นสมัยนี้นะแล้วผมก็ คุณพ่อก็จอดที่ตลาดหนองมนตอนนั้นก็จะไปซื้อขนมโมกแกงอะไรเงี้ยเอากลับไปฝากแฟนแฟนแฟนเก่านะไม่ใช่แบแฟนคนนี้ตอนนั้นมีแฟนเก่าก็เอาถือขนมโมกโอ้ยอยากจะซื้อไปให้รู้สึกว่าดีมากมีความสุขมากทั้งรวยเดี๋ยวจะไปไปเป็นสายเปยนะจะจ่ายให้หมดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแต่ว่าพอกลับขึ้นรถขับกลับกรุงเทพ ถ้าเกิดคนที่รู้จักผมดีผมเป็นคนที่ทำของหายบ่อยมากขับกรุงเทพขับไปได้15บหนาทีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงิน3 0 0พันบาทไปซื้อหม้อแกงมาอันเดียวเหลือ 2,800 กว่าบาทเก0กว่าบาทหายโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับคนออกหักนะคือทุกอย่างมันหมดสิ้นแล้วทั้งชีวิต สามพันบาทที่ได้มามันหมดไปเลยนะมีหมอ้อแกงอยู่อันเดียวอะ่ะมีความทุกข์มากเลยนั่งกลับร้องไห้เป็นวักเป็นเวรร้องแบบลั่นรถจนในที่สุดคุณพ่อเนะี่ยต้องหันรถกลับไปไปเยี่ยมคุณยายใหม่ที่เมืองชน <c oughs> ไปบอกคุณยายก็ไปหาที่ตลาดน้องบอลไม่เจอรู้ไหมความสุขของผมเพราะอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราครอบครองแล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรานั้น มีความสุขได้ผมโตขึ้นมาหน่อยผมคิดว่าความสัมพันธ์กับคนบางคนของไม่ค่อยสำคัญละเอาความสัมพันธ์ดีกว่าเรามีแฟนดีกว่ามีแฟนนี่มีความสุขมากเลยแต่ผมก็ค้นพบว่าเวลาที่มีแฟนทุกคนมีใครในที่นี้ทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานั้นเวลาที่มีแฟนเนี่ยนช่วงเวลาที่มีความสุขก็จริงนะ ก็ทุกข์มากๆเลยทะเลาะกันเป็นวักเป็นเวนวางสายใส่กันง้องอนกันเหนื่อยมากๆจะเรียนด้วยจะทําจะมีแฟนก็เหนื่อยก็รู้สึกว่าความสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นความสุขของเราเนี่ยนะมันกลับกลายไม่เติมเต็มชีวิตของเราจริงๆเวลาที่ผมตั้งความสุขไว้เป็นจุดหมายปลายทางเป็นโกเป็นเป้าหมายในชีวิตของผม ผมค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวิ่งตามหามันกล า, กายเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงจริ ง, รงผมใช้ตัวอย่างนี้ผมบอกว่าเหมือนกับเด็กที่พยายามที่จะยัดเอาเอาไม้ที่เป็นทรงกลมยัดเข้าไปในรูที่เป็นรูปดาวแล้วมันก็ยัดไม่ลงเพราะว่ามันคนละเชฟคนละไซส์แล้วเราก็เครียดมากเลยแล้วเราคิดว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแต่มันทาให้เราเครียดมากกว่าเดิมซะอีก ถ้าคุณไม่เชื่อคุณคุณไปถามคนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับหวย30ล้านสิคิดว่าซื้อหวยได้เงินเยอะคงจะสะดวกคงจะสบายโอ้ยผมไปดูผมไปดูสถิติของคนที่ถูกหวยมาชีวิตเขาพังยับเยินตามหลังมามีหลายคู่ต่อหลายคู่ที่ถูกได้เงินเยอะแต่ต้องชีวิตต้องแยกแตกทางกับภรรยามีคนมายืมเงินต้องหนีหเหรออะไรโอ้มี สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขของเรากลับกลายเป็นความทุกข์ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้หลายคนก็ใช้ชีวิตโดยการตัดสินใจว่าเรารู้สึกดียังไงเราก็ตามสิ่งนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีาช่วยช่วยมองผมหน่อยนะฮะมีใครชอบกินหมูกรอบเหมือนผ ม, มั้มมีไห้ยกมือหน่อยโอเคชอบกิน รู้ไหมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมครับช่วยพยักหน้าหน่อยรู้ไหมรู้วันก่อนภรรยาผมเข้าโรงพรยาบาลผมไปนั่งเฝ้ารบภรรยาอยู่เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนสั่งหมูกรอบกลางกรุงกล่องละสองร้อมาวางไว้ข้างหน้าผมรู้ทั้งรู้ว่าเราก็อ้วนรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่ากินไปแล้วไขมันอุดตันเสแต่มันนะมันตัดสินใจอยู่บนความ เขเรียกว่าความสุขของเราอะไรที่เป็นความสุขเราคว้าไว้ก่อนเราเดินเข้าเซเว่นเราเลือกซื้อของแต่ละอย่างในเซเว่จริงๆเราไม่ได้เลือกซื้อของนะเราเลือกซื้อความสุขไม่มีใครเดินเข้าไปหรอกในเซแล้วก็บอกว่า i, เฮ้ยแผนกผักผลไม้อยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีใครเดินเข้าไปในเซว่นแล้วบอกว่าเฮ้ยแผนกที่มันกินเฮลตี้กินคลีนอยู่ตรงไห น, นไม่มีเพราะว่าคนเข้าไปในเซวหลายครั้งก็คือเข้าไปหาอะไรนะครับ ความสุขเพราะฉะนั้นเองเราจึงสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตของเรานั้นเบสบนพื้นฐานว่าเราทําทุกอย่างโดยความรู้สึกว่ามันดีเราขึ้นทางด่วนเรารักษาสุขภาพเราซื้อของออนไลน์เราทําทุกอย่างอะ่ะเพราะว่ามัน อ, อยู่บนความสุขของเรา นักเรียนของผมคนหนึ่งขณะที่ผมสอนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นภาษาอังกฤษผมเสร็จสองทุมครึ่งวันพฤหัสเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่บุกเพศนิวาตมาพอดีโอ้โหพอสอนไปถึงสองทุ่มคร่งปุ๊บนักเรียนจะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายจะมองนาฬิกาจะเริ่มปิดหนังสือจะเดินกลับบ้านให้ได้เพราะว่าความสุขของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ละครบางคนทนไม่ไหวนะฮะเปิดมือถือ หูใส่หูฟังเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยฟังบุพเพสันิวาสไปด้วยความสุขของเขานี่เพราะฉะนั้นผมจะเลยผมก็เลยเห็นความจริงนี้ซึ่งอยู่ในชีวิตฝ่ายร่างกายก็จริงแต่มันเป็นความจริงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยคืออย่างนี้ตราบใดที่เรามีความสุขฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะทํามันอะไรที่มันเป็นความทุกข์ฝ่ายจิตวิญญาณเราจะไม่ค่อยทํามันถ้าไม่เชื่อผมนะผมลอง ให้ให้ให้แบบสอบถามดูคุณมานั่งอยู่ในในคริสตจักรนี้การมีแอร์ก็เป็นส่วนที่ช่วยการมีคริสตจักรที่สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งที่นําท่านมาอยู่ที่นี่ถ้าคริสตจักรนี้ไม่มีแอร์ผมว่าท่านก็คงไม่มาตัวผมก็อาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งเวลาเขาเชิญผมมาเทศถ้าไม่มีแอร์ การตัดสินใจของท่านในชีวิตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณถามว่าท่านตื่นเช้าขึ้นมาเปิดหนังสือตอนตีห้าพระคัมภีร์แล้วก็อ่านไข้ครวนเป็นชั่วโมงท่านทำไหมไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ไม่ไ ม, มีความสุขอ่ะมันไม่ใช่สบายมันไม่สะดวกอ่ะเพราะฉะนั้นความจริงฝ่ายร่างกายของเราก็เป็นความจริงฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณของเราด้วยหลายครั้งคนเลือกโบส์ก็เพราะว่า นมัสการดีแสงสีไฟดีมีละครมีอาหารกลางวันมีทุกอย่างสะดวกสบายบางคนเวลาไปคริสตจกักรมาที่คริสตจกักรผมบอกเฮ้ยทำไมคริสตจักรนี้เป็นอย่างนี้ทําไมอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมอย่างงี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็เลิกมาผมก็ต้องถามตัวเองว่าเดี๋ยวนะคุณมาที่คริสตจักรมานมัสการพระเจ้าเพราะความสะดวกสบายสนุกหรือคุณมาหาพระเจ้าจริงๆ ในพระวจนะคำที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในพระคำฟิลิปปีฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึง14อาจารย์เปโลเขียนไว้อย่างชัดเจนผมอยากจะให้พี่น้องอฟังสิ่งที่อาจารย์เปโลเขียนนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์เปโลเขียนพระค์ข้อนี้ผมขอให้แบ็กกราวด์ก่อนอาจารย์เปโลเขียนมาจากคุกที่อยู่ในกรุงโรมแล้วอาจารย์ก็ถูก โซ่ตรวนจองจําไว้เป็นนักโทษหลวงหมายความว่าเขาต้องหนาแน่นเป็นพิเศษแล้วก็มีทหารคุ้มกันเป็นพิเศษแล้วอาจารย์เปโลก็ไปไหนไม่ได้ทําทุกวันทุกวันก็คือนั่งอยู่ในความมืดมีตะเกียงแล้วก็เขียนจดหมายหาคริสตจักรต่างๆในความทุกข์ของอาจารย์ที่ไม่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงหรืออีกไม่กี่วันอาจารย์จะโดนประหารอาจารย์เปโลเขียนจดหมายที่มีเขาเรียกว่าเนื้อความที่มีความสุขที่สุดเลย ฟังดีๆนะครับจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่เขียนจากคนที่หมดหวังเลยนะอยู่ในสถานภาพที่มีปัญหา 108,009 มืด8ด้านนะแต่อาจารย์เขียนด้วยความสุขบอกว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้าพี่น้องพูดตามผมหน่อยได้ไหมฮะทุกคนเลยข้าพเจ้าเดี๋ยวเดแล้วขอทุกคนนะทุกคนข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้า คนที่นั่งอยู่ในคุกถ้าจะถามวันนี้ผมเดินเข้าไปเนี่ย เ, เดือนหน้าผมต้องเข้าไปในคุกเพื่อไปสอนภาษาอังกฤษคนในคุกที่อยุธยาในพันธสถานเน่ยผมต้องไปสอนออกลุ่มผู้หญิงภาษาอังกฤษถ้าเกผมวันนั้นผมถือไมค์เข้าไปแล้วผมไปถามอาจารย์ครับอาจารย์ติดคุกมาอาจารย์ต้องการอะไรออลองลองลองสมมุติกันถ้าเกคุณติดคุก คุณจะไม่มีวันติดคุกแล้มัแต่ถ้าสมมติว่าคุณติดคุกแล้วผมมาเยี่ยมคุณแล้วผมถามคุณว่าคุณต้องการอะไรไไต้องการต้องการอิสราภาพ <laughs> แต่คุณต้องแต่คุณออกมาไม่ได้เพราะว่ามีโทษฐานถาเกิดนอกจากสิอิสราภาพแล้วต้องการอะไร <laughs> เขาผัดไหมน้ําแดงต้องการอะไรคนมาเยี่ยมต้องการเงินต้องการอะไร ถ้าผมถามอาจารย์ปอลในวันนั้นอาจารย์ปอลต้องการอะไรครับอาจารย์ปอลเขียนออกมาแล้วชีวิตของผมผมไม่ต้องการความสุขอะไรผมไม่ต้องการอะไรที่ทำให้บันเทิงผมผมไม่ต้องการอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกสู้ซ้าหรือว่ามันทำให้ชีวิตสบายขึ้นผมไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือผมต้องการที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น หลาครั้งในชีวิตผมผมได้เยอะเกินผมมีเยอะเกินผมมีมากเกินจนเมื่อเวลาถามผมว่าต้องการอะไรโอ้เราคิดไม่ออกเรากลายเป็นต้องการในสิ่งที่ทําให้เราสะดวกสบายเรารักสิ่งนั้นแต่เมื่อไปถามอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้จักกับพระองค์ I need I need ฉันต้องการมันจําเป็นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆ พี่น้องครับถ้าเกิดคุณเข้าใจผิดบางอย่างในบ่ายวันนี้ผมขอปรับความเข้าใจใหม่นะถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่มานั่งในคริสตจักรมาฟังเทศนามาร่วมคริสตจักรมาร้องเพลงในมสการมาถวายทรัพย์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคริสเตียนแอบผิดถนัดสิ่งที่คุณจำเป็นและต้องยึดติดไว้ก็คือการที่คุณนั้นได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว วันหนึ่งเราจะไปยืนต่อหน้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ถามว่าคุณมานั่งที่คริสตจักรไหนและพระองค์ก็จะไม่ถามว่าคุณท่องจาําพระวจนะคำได้กี่ข้อพระองค์ก็จะไม่ถามว่าคุณถวายทรัพย์เป็นประจําหรือเปล่าพระองค์จะไม่ถามสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์จะถามว่าคุณรู้จักเราไหมการที่เรานั้นจะรู้จักกับพระองค์นั้นคือจุดหมายและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของจาร์ปอโลและนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเป็นเป้าหมายสูงสุด ในชีวิตของผมเช่นกันอาจารย์ปาร์โลเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆอาจารย์ปาร์โลเป็นคนที่เจอกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าอาจารย์ปาร์โลเป็นคนที่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์อาจารย์ปาร์โลเป็นคนที่ถ้าเกิดถามวันนี้ใครในประคำพีที่รู้จักกับพระเจ้ามากๆถามก็ใครอาจารย์ปาโลเขียนหนังสือพระคมภีใหม่มากกว่าครึ่งเล่ม นี่น้องครับเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยในความสัมพันธ์ที่คุณและผมมีกับพระเจ้าเนี่ยนะคุณจะรู้จักกับพระเจ้าได้จริงเพราะนั่นคือความต้องการสูงสุดนะของเราควรจะเป็นความต้องการสูงสุดคุณจะรู้จักกับพระองค์ได้จริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆในบ่ายวันนี้ถ้าเกิดผมถามว่าผมผมเนี่ยเ ป, เป็นแฟนกับผมเป็นแฟนกับ ภรรยาก่อนที่จะแต่งงานนะผมเป็นแฟนกับภรรยาเนี่ยมาสิบสองปีภรรยาผมรู้จักแฟนผมตั้งแต่เขาอยู่มสองผมอยู่มสี่แล้วเราก็เป็นแฟนกันมาสิบสองปีปุ๊บล้วแต่งงานกันนี่เป็นปีที่สิบสี่เพราะนั้นเรารู้จักกันมาประมาณยี่บหปีแล้วถล้วมีคนมาถามผมว่า ผมรู้จักกับกิฟไหมซึ่งเป็นชื่อแฟนผมรู้จักกิฟต์ไหมเพะผมรู้จักแต่เมื่อถามผมว่าอยากจะรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นไหมโอผมรู้จักเธอดีแล้วแล้วพอหรือยังไม่มีทางที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งดีพอไม่เพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องเดินไปข้างหน้า ไม่ว่าจะความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ความสัมพันธ์กับแฟนความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับทุกคนความสัมพันธ์นมันต้องรู้จักลึกยิ่งขึ้นรู้จักทุกแง่ทุกมุมมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผมแต่งงานกันมาโอ้กี่ปีละ่ะห้าสิกว่าปีอายุท่าบสงเจ็ดบสถามว่าท่านรู้จักกันมากพอไหมคุณพ่อบอกว่าอย่างอาจารย์ปอโล บ, บอกว่าฟังดีๆนะอาจารย์ปอโล บ, บอกว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้คว้าไว้เลยข้าพระองค์ ยังไม่ได้เ่วยไว้เลยพระองค์ต้องโน้มไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปสู่หลักชัยแล้วก็พยายามที่จะคว้าพยายามที่จะรู้จักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเป้าหมายสูงสุดของจันปะโลคือการที่ได้รู้จักกับพระองค์ทั้งนอกทั้งในทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมแต่จันปะโลไม่ได้พูดแค่นั้นจันปะโลพูดต่อไปบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักกับพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการฟื้นคืนพระชน พี่น้องครับถามตรงๆเลยนะพี่น้องคนพี่น้องชอบเรื่องอัศจรรย์ใช่ไหมชอบเรื่องฤทธิเดชใช่ไหมคนไทยผมเคยเห็นเขาไปหาพระอาจารย์ตามสำนักต่างๆแล้วอาจารย์สำนักไหนที่มีฤทธิเดชเขาก็จะเป็นอาจารย์ที่ดังอาจารย์ไหนที่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเอ้ยฟันไม่เข้ายิงไม่ออกสำนักนั้นก็จะดังมากๆเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของฤทธิเดชอยู่ผมบอกให้สำนักไหนที่ให้ แลกที่สวยๆแล้วก็ถูกบ่อยๆเนี่ยโอ้สํานักนั้นดังมากคนคนไทยชอบคนตะวันออกกลางก็ชอบเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์นะข้าพเจ้าอยากรู้จักในริดเดทของพระองค์ข้าพเจ้าอยากรู้จักว่าพระองค์นั้นเจ๋งจริงๆหรือเปล่าว่าพระองค์ของจริงหรือเปล่าว่าถ้าข้าพระองค์อธิษฐานแล้วพระองค์จะตอบค้ามิฐานของข้าพระองค์หรือเปล่าตัวผมรู้จักริดเดทของพระเจ้าเพราะว่า ในวันที่ผมไม่มีจริงๆในวันที่ผมลำบากจริงๆผมคุกเข่าลงผมอธิษฐานแล้วพระเจ้าทำไม่เห็นจริงๆเลยว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผมแล้วเวลาที่เรารู้จักกับพระเจ้าผ่านมิเดเดทนะเราได้เห็นโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสัตว์ซื่อพระเจ้าเจ๋งจริงๆเราลองอ朗หาอะไรรูลล้อยาสรรเสริญพระเจ้านี่ปามซันเดย์ข อ, ข, อของของเรานี ก็คือคนที่เดินติดตามพระองค์มาเป็นชาวบ้านชาวเมืองในกรุงเอเซเรในในกรุงเยรูซาเล็มล่ะเป็นคนอิสราเอลที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูหุ้ยพระเยซูรักษาคนคนนั้นได้พระเยซูรักษาคนตาบอดได้พระเยซูรักษาคนง่อยได้เป็นเอซีของพระเยซูเดินตามมากรี๊ดพระเยซูใหญ่เลยทำไมเพราะว่าเขาอยากจะรู้จักเขาอยากจะสัมผัสในความเจ๋งของพระเยซูแต่พี่น้องครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้น ไม่สามารถที่จะรู้จักกับพระองค์แค่ในความดีของพระองค์ได้เราไม่สามารถที่จะอยากจะแค่รู้จักกับพระองค์ในในการที่พระองค์ตอบคำาับนิฐานได้พี่น้องเมื่อกี้เราร้องเพลงเพลงหนึ่งที่เราร้องเมื่อกี้ชัดเจนมากเพราะในเพลงบอกว่าอะไรนะพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์อะไรนะทรงเติมฉันแล้วก็มีประโยคประโยคนึงไม่ช้าและไม่สาย เวลาที่พระเยซูไม่ช้าและไม่สายแล้วเวลาที่พระองค์มาทันเวลาเสมออ้เรารู้จักกับพระองค์เราชอบใจมากเราล้องสรรเสริญพระเจ้าเราล้องฮาเลลูยาแต่คำถามก็คือว่าเมื่ อ, อไรที่พระองค์มาสายละ่ะสายในความคิดของเรานะเมื่ อ, อไรที่พระองค์เงียบในการตอบคำฐามละ่ะเมื่ อ, อไรที่ที่สิ่งที่เราคิดว่าพระเจ้าควรจะทแต่พระองค์ไม่ทา เราจะรู้จักกับพระองค์ได้ดีขึ้นไหมเวลาที่เราท่องย้อนบทที่3มข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาฏแต่มีชีวิตนิรันด์เราไม่ชอบฟังคําว่าพินาฏเราไม่ชอบฟังคําว่าพินาฏเราชอบคําว่าได้ชีวิตนิรันด์เพราะอะไรเพราะเราชอบในสิ่งที่มันเป็นความสุขสิ่งที่มันเป็นรางวัลสิ่งที่มันเป็นโบนัส ดังในบายวันนี้อาจารย์เปโลไม่ได้หยุดแค่นั้นอาจารย์เปโลฟังดีๆนะครับอาจารย์เปโอลเขียนในสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญถ้าเกิดถ้าเกิดในในบทวันนี้พี่น้องเริ่มเริ่มง่วงนะหรือว่าเริ่มเริ่มหลุดลอยนะผมอยากให้ฟังประโยคนี้ชัดเจนเลยอาจารย์เปโอลเขียนบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชของการฟื้นคืนพระชนความดีของพระองค์ความสักดิ์สิทธของพระองค์พลังฤทธิ์อำนาจของพระองค์ อาจารย์ปาโลเขียนไปบอกว่าและรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ในบ่ายวันนี้อาจารย์เปาโลกาลังเขียนบอกว่าข้าพเจ้าต้องการเข้าร่วมในความทุกข์ของพระเยซูข้าพเจ้าต้องการลำบากและเจอกับความทุกข์เหมือนกับที่พระเยซูได้เจอข้าพเจ้าอยากจะมีประสบการณ์เดียวกัน พี่น้องครับคุณจะรู้จักใครสักคนหนึ่งจริงๆคุณจะรู้จักตัวจริงของเขาก็คือตอนที่คุนนั้นร่วมทุกข์กับคนคนนั้นหรือคนคนนั้นมาร่วมทุกข์กับคุณคุณจะเห็นเขาในแง่มุมใหม่คุณจะมองเขาในแง่มุมที่ที่ที่เป็นตัวจริงที่แท้จริงของเขาพี่น้องลองย้อนย้อนคิดตอนนี้เลยตอนนี้เลยพี่น้องลองกรอเทปในในในหัวลับไปนะมีคนคนหนึ่งไมในชีวิต ที่เข้ามาร่วมในความทุกข์ในวันที่เราสาหัสมากๆเลยนะคนๆนั้นเป็นคนที่รู้จักเราและรักเราดีเราน่าจะรู้จักคนๆนั้นดีมากๆเลยจต่ประโลบบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเจ้านะไม่ใช่แค่ในความสุขในฤทธเดชของพระองค์แต่ในความทุกข์ด้วยรับพระองค์อยากจะมีส่วนร่วม แฟนผมเนี่ยตอนโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ยเขาโตขึ้นมาด้วยความเป็นคุณหนูครอบครัวเขามั่งมีแล้วก็ค่อนข้างที่จ ะ, ะมีเงินส่วนตัวผมเองครอบครัวผมค่อนข้างจะจนแล้วก็ไปเรียนในโรงเรียนที่เคนทักกี้ส่วนแฟนก็ไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียเขาเวลาที่ผมไปเยี่ยมเขาที่แคลิฟอร์เนียนะโอ้ผมเห็นเขาเดินช้อปปิ้งตามห้างผมตกใจ เขห ย, ห, หยิบนู่นหยิบนี่ไม่ได้ดูราคาเลยนะหยิบโอ้โเราก็แบบโอ้ไมล์ก็นี่คนนี้เนี่ยนะจะมาเป็นภรรยาเราคิดไม่ออกจริงๆว่าเราก็ว่าเรารู้จักเขาดีนะแต่พอเราเห็นเขาใช้วิถีชีวิตของเขาอย่างนั้นเราเราเริ่มกลุ้มใจแล้วเรานึกว่าเรารู้จักเขาดีว่ะในใจคิดคิดกลัวว่าวันหนึ่งที่ผมจะต้องออกมารับใช้พระเจ้าแล้ว เขาจะรับความลำบากในชีวิตได้ไหมแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ผมอยู่ที่เคนทักี้ผมเจอกับความยากจนแสนสาหัสเลยนะ IMF ยุคนั้นค่าเงินดอนลลาร์โอ้โหมันนะแล้วก็เงินไทยเนี่ยต้องจ่ายเป็นสองเท่าบอกให้นะในช่วงเวลานั้นในความยากลำบากที่สุดเลยนะมันถึงขนาด ท, ที่ว่าต้องไปเปิดตู้เย็นหาของที่คนอื่นทิ้งไว้ในตู้เย็นเพื่อจะกิน เวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอตรวจเลือดผมเนี่ยคุณหมอบอกว่า เ, เธอเธอหาเนื้อสัตว์กินบ้างนะเพราะเพราะเม็ดเลือดขาวของเธอมันจางเหลือเกินเธอเธอต้องหาหาอาหารกินบ้างนะโอยตอนไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกายากลาบากมากๆเลยตอนในความยากลาบากนั่นเองแฟนก็บินมาแล้วก็มาเยี่ยมแล้วเขาก็ไม่ได้เอาอาหารเยอะแยะอะไรมานะเพราะว่ามันแบกมาไม่ได้ ก็ต้องมาอยู่ที่ที่เนี้ยที่ลำบากแล้วก็ไม่มีรถแล้วก็จะออกไปซื้ออะไรร้านทุกหลานก็ปิดหมดก็เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบโอ้ทำยังไงได้แล้วก็ไปตกปลากินกันคืออยู่กันเป็นชาวบ้านเลยละ่ะพอพอแฟนผมเข้ามาร่วมความทุกข์ยากร่วมในความลำบากของผมผมเริ่มเห็นเขาในมุมมองใหม่ ผมเริ่มรู้จักเขาดียิ่งขึ้นผมเริ่มเห็นว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คู่ชีวิตของเราที่จะเดินพร้อมกับความยากลำบากของเราได้พี่น้องครับอาจารย์เปโลเขียนไว้อย่างชัดเจนบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าผ่านการนั่งอยู่ในคริสตจักรที่เป็นแอร์และอยู่ในห้องเรียนนี้ได้คุณจะเป็นต้องรู้จักพระเจ้าเมื่อคุณเดินออกไปข้างนอกในความร้อนในความปัน ปัญหาที่ยุ่งยากในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ในความมืดแปดด้านเหมือนที่อาจารย์เปาโลนั่งอยู่ในคุกนั้นนะ่ะอาจารย์เปาโลบอกว่าในช่วงเวลานี้เองผมรู้จักพระเจ้ามากยิ่งกว่าการที่ผมได้ไปเทศที่ไหนที่ไหนในช่วงเวลาที่ผมนั่งอยู่และใกล้จะถูกประหารผมได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นี่น้องครับ อาจารย์เปโลผมเคยถามตัวเองว่าทำไมอาจารย์โปโลถึงต้องใช้ชีวิตอย่างนี้นะคือใช้ชีวิต ด, ดําเนินไปเรื่อยๆในความทุกข์ยากในความลําบากเนี่ยทำไมอาจารย์เปโลต้องต้องเดินทางโดนมูถกไปในทะเลทรายเรือล่มโดนคนหักหลังโดนคนโอ้เยอะแยะไปหมดทาไมอาจารย์โปโลถึงต้องต้องใช้ชีวิตคนธรรมดาเขาก็เลิกแล้วเขาก็รีทายกลับไปอยู่บ้านบ้านชนบทแล้วก็หาอะไรกินมีความสุข จักรโลทําไมต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะว่าจักรโลลูเคร็ดับว่ายิ่งเขาเจอกับความทุกข์ยากลําบากเท่าไหร่พระเจ้ายิ่งจะเป็นกระจ่างเท่านั้นในชีวิตของเขาคุณอยากจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งไหมคุณพาเขาผ่านความทุกข์ยากแล้วเดินไปกับเขาในความทุกข์ยากคุณจะรู้จักคนคนนั้น ได้เป็นอย่างดีอย่าไปกลัวความทุกข์ยากคุณพ่อผมเคยสอนว่าเป็นภาษาอังกฤษคุณพ่อผมสอนว่า if there are two ways choose the hard way ถ้ามีสองทางให้เลือกให้เลือกทางที่โหดกว่าโอ้โหเป็นคำสอนที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากเลยถ้ามีสอง ท, งทางให้เลือกให้เลือกไปเดินทางลําบากซึ่งมันก็ไม่ไกลจากคำสอนของพระเยซูใช่ไหม ระหว่างทางกว้างกับทางแคบให้ไปทางไหนทางแคบพี่น้องครับชีวิตของเราเราควรจะเดินไปกับพระองค์ในความยากลําบากในความทุกข์เราควรจะพยายามที่จะเข้าไปสู่หัวใจของพระองค์คําภาษาอังกฤษที่ผมอยากจะสอนในในบ่ายวันนี้ซึ่งผมสอนไปเมื่อเช้านี้เป็นสองคำที่ พูดคล้ายๆกันแต่ง่ายมากเลยช่วยพูดตามผมหน่อยได้ไั้ยฮะในฐานะที่ผมเป็นครูภาษาอังกฤษอยู่แล้วผมขอทุกคนช่วยพูดตามนะครับด้วยเสียงดังนะฮะ sympathy ขอทุกคนเลยครับ sympathysympathy แ Sy ปลว่าความเห็นอกเห็นใจเหมือนกับว่าโอ้ยเราเดินข้ามสะพานลอยแล้วเราก็เห็นคนที่ขอทานแล้วคนที่ต้องการเงินจากเราเราเดินผ่านเข า, เามีความรู้สึก sympathy เรา sympathize กับเขาเราแบบเฮ้ยเธอ น่าสงสารมากเลยเอาเอาเอาไป20สแล้วก็เห็นใจมากๆแล้วอยากจะช่วยเหลือแล้วก็สงสารมากๆนั่นคือ sympathy อาจารย์ปรลไม่ได้พูดอย่างนั้นอาจารย์ปรลให้อีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่า empathy ทุกคนพูดพร้อมกัน empathy ดังๆครับ empathy empathy ปลว่าคล้ายๆกันนะแต่มันมากกว่าความเห็นอกเห็นใจ คือการที่เรานั้นเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของเขาพยายามที่จะมองจากมุมของเขาพยายามที่จะรักรับเอาเอาความทุกข์ของเขามาอยู่ในบนความทุกข์ของเราหมายเขาไม่งไงหมายคขาเมื่อเวลาคุณเดินผ่านคนที่ข้ามสะพานลอยเราเห็นเขาไม่มีรองเท้าเนี่ยซิม p ปตี้เนี่ยจะรู้สึกสงสารและให้เงิน20บาท e อมเพอธจะถอดรองเท้าของคุณแล้วให้รองเท้าของคุณกั บ, กบเขา แล้วคุณก็เดินบนทาร้อน้อนบนซีเมนต์ร้อนร้อนกลับบ้านอาจารย์ปอโลบอกว่ามีวิธีหนึ่งที่คุณจะรู้จากกับพระเจ้าในความยิ่งใหญ่ในความดีของพระองค์พระองค์ตอบคำมณิษฐานวิธานุภาขพขรงนั่นก็อีกทางหนึ่งแต่ทางที่ดีกว่านี้ทางนี้คือในความทุกข์ยากลำบากอยากจะให้คุณนั้นไม่ใช่แค่ อ่านพระคัมภีร์แล้วก็เข้าใจว่าพระเยซูทุกยากลำบากยังไงแต่การที่คุณเอาตัวของคุณนั้นเข้าไปร่วมในความทุกข์ของพระองค์ข้าพระองค์อยากจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์ผมจะจบคำเทศด้วยประโยคนี้นะอ่ฟังดีๆคุณและผมนั้นจะมีความจะมีความทุกข์ร่วมไปกับพระเยซูยังไงรู้ไห จะเดินออกไปจากห้องนี้แล้วบอกว่าโอเคผมอยากจะร่วมทุกข์ไปกับพระองค์เพื่อผมจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นแต่ผมไม่รู้จะทํำยังไงบอกให้ทําไงทุกครั้งที่พระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจของเราว่าให้ทําอะไรนะคุณทําเวลาที่พระองค์บอกว่าให้เสียสละเพื่อคนคนนี้เสียสละเพื่อคนคนนี้เมื่อเมือ่อเมื่อเรามีความรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราบอกว่าให้ยอม ให้กับเหตุการณ์ให้พูดขอโทษให้เสียในสิ่งที่เรารักเวลาเราเดินไปในชีวิตปรจาําแล้วเราเชื่อฟังพระองค์นะคุณจะค้นพบว่ามันขัดกับความรู้สึกของเรามากเลยเพราะทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระองค์นะพระองค์จะขอให้เราทําในสิ่งที่มันมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะธรรมชาติของเราคือเห็นแก่ตัวกอบโกยเอามาเป็นความสุขของเราแต่เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์นะพระองค์จะค่อยๆเอาของน ออกจากตัวแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่ขัดกับใจมากเลยมันจะมีความทุกข์มากเลยนั่นแหละคือการร่วมทุกข์ไปกับพระองค์การแบกกลางเขนเชื่อฟังพระองค์เดินตามพระองค์จนในที่สุดไปถึงไม้กลางเขนมีน้อยคนมากที่จะเดินมากับพระเยซูในในในวันปาล์มซันเดย์มีแฟนคลับของพระเยซูหลายคนที่เดินติดตามมาแต่มีน้อยคนที่จะนั่งอยู่ตรงไม้กลางเขนสาวกของพระเยซู12คนมีอยู่คนเดียว สาวกคนที่รักพระเยซูและพูดจาเหิมเกิมแล้วก็เป็นคนจริงเป็นเอาตัวจริงมากๆเลยอย่างเปโตร ก, ก็อย่างทิ้งโพงเพราะฉะนั้นในบ่ายวันนี้ผมอยากให้เราเดินออกจากห้องนี้ไปดดวยความอยากที่จะรู้จักกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่รู้จักโดยความสุขของการนั่งเรียนไม่ใช่การรู้จักในการอ่านพระวจนะคำหรือว่าเปิดอ่านบทเฝ้าเดียวแล้วก็ โอเคฮาราลูยา okay, แล้วก็ อ, อธิษฐานแล้วก็บอกว่าฉันทําเสร็จแล้วแต่เป็นการรู้จักในความทุกข์ร่วมความทุกข์ไปกับพระองค์ในการเชื่อฟังพระองค์ในการเสียสละเพื่อพระองค์อาจารย์ปรมบอกว่า ฟ, ฟังประโยคนี้ดีๆแล้วผมจะอธิษฐานเป็นอาจารย์ปรมบอกว่าอะไรที่ข้าพเจ้าเคยคิดเป็นกําไรของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นขาดทุนเพราะพระคริสต ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งที่เป็นการขาดทุนเหตุพระคุณค่าอันสูงส่งได้การมารู้การได้มารู้จักกับพระคริสต์องค์พระบูญเจ้าของข้าพเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์เคยคิดว่ามันมีค่าที่มันสวยที่มันสะดวกสบายข้าพระองถือว่ามันเป็นขาดทุนหมดแล้วขออย่างเดียวคือการได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองยอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรในชีวิตของผมผมกับครอบครัวกับภรรยากับลูกบอกว่าในชีวิตนี้ถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะอดตายจนตายก็ให้มันรู้ไปแต่ขออย่างเดียวขอยึดพระเจ้าไว้วันหนึ่ง ถ้าคนเปิดห้องบ้านของสิทธยาพิบาลมาเราเห็นศิทธยาพิบาล น, นอนหิวโซตู้เย็นไม่มีอะไรกินแล้วก็ตายขาดตู้เย็นก็ให้มันรู้ไปขออย่างเดียวขอได้รู้จักกับพระองค์และรู้จักกับความทุกข์รู้จักกับการเชื่อฟังจนสูญเสียจนเจ็บรู้จักในความทุกข์ยากลำบากเพื่อเราจะได้เดินไปกับพระองค์รับกางเขนและติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดขอในบ่ายวันนี้ที่เราจะรู้จักกับพระองค์ ในมุมมองใหม่ๆโดยการร่วมทุกข์ไปกับพระองค์ขอบเจ้าอวยพระพรพรชนาคามครับ